ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวบะคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเมื่อภิกษุยกปฏิโมกขึ้นแสดงอยู่ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพวกกระผมเพิ่งทราบเดียวนี้เองว่าทราบว่าทำแม้นี้มาในพระสูตรอยู่ในพระสูตรมีการยกขึ้นแสดงทุกกึอกเดือนจริงหรือ พวกภิกูจชาวพัคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายขหะพวกเธอเมื่อภิกษจนยกปฏิโมกขึ้นแสดงอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกกระผมเพิ่งทราบเดียวนี้เองว่าทราบว่าทมแม้นี้มาในพระสูตรอยู่ในพระสูตรมีการยกขึ้นแสดงทุกกึอเดือนเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทาอย่างนี้